การพิจารณาทำทั้งหลายต้องใช้ความคิดอ่านนะเพียงแต่ให้สงบเฉยๆไม่พอจิตพอมีความสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายข้างนอกให้พยายามใช้ปัญญาให้มากปัญญาจะพาเก้าเดือนอย่างรวดเร็วจะคอยให้จิตเป็นสมาธิจนแน่นปึงเลยถึงออกทางด้านปัญญาไม่ถูกสงบขั้นไหนก็ตาม คนที่จะก้าวออกทางด้านปัญญาได้ก็ให้ก้าวออกตามขั้นของตนคือคำว่าสงบได้แก่ความหิวในอารมณ์ภายนอกที่ทำให้เกิดสัญญาอารมณ์ฟุ้งไปนั้นเบาตัวลงก็มีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นงานของตัวเองได้ไม่ตเตลิดเปิดเปิงเหมือนคนไม่มีสมาธิไม่มีอะไรเลยแต่จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้เป็นปัญญาโอ้ย ตายว่างั้นเลยนะอย่ามาโกหกนะว่างั้นก็จิตเต็มไปด้วยความหิวโหวยจะพิจารณาให้เป็นปัญญามันก็เตลิดเปิดเปิงเป็นสัญญาเป็นกิเลสไปหมดแล้วจะเอาปัญญามาจากไหนจิตสงบจิตอิ่มตัวนี่มันอิ่มจากสัญญาอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นมาสงบมากน้อยเพียงไรนั่นปัญญาจะพอก้าวได้แล้ว พอปัญญาก้าวได้ผลปรากฏขึ้นมาเด่นขึ้นเด่นขึ้นกลับมาเสริมสมาธิได้อีกปัญญาก็ฉลาดนั่นท่านว่าปัญญาสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาเมื่อมีสมาธิหนุนแล้วปัญญาเดินได้คล่องแปลออกนี้เลยภาคปฏิบัติเราแต่ภาคปริยัติ แปลกลัวผิดศัพ์ผิดแสงผิดธาตุวิพัติปัจจัยอย่างผมแปลถ้าไม่ได้เป็นมหาเขาก็จะดูถูกผมอีกแปลได้แปลอย่างปริยัติทำไมจะแปลไม่ได้แต่มันไม่ดวนหัวกิเลสนั่นสิเราแปลเพื่อโดนหัวกิเลสเพราะเราจะฆ่ากิเลสเนี่นะเราไม่ได้ฆ่าศัพท์ฆ่าแสงฆ่าธาตุวิพัติปัจจัยนี่ถึงแปลพึงยังว่าเนี่ยแล้วเป็นยังไง ชัดเจนไหมเมื่อมีสมาธิหนุนแล้วปัญญาเดินคล่องถ้าแปลาตามปริยัติปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากท่านว่างั้นในปริยัติเราก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่ถูกแต่อะไรที่ถนัดจะฆ่ากิเลสเอาตรงนั้นสิขอให้ฆ่ากิเลสได้แล้วเป็นธรรม พระพุทธเจ้าสอนให้ฆ่ากิเลสเนี่ยนะอุบายวิธีใดที่จะฆ่ากิเลสได้อุบายนั้นเป็นธรรมเอาตรงนั้นสิกิเลสมันมาในตำราตำราทุกอันเหรอมาเหยียบหัวเราอยู่ทุกวันนี้มีในตําราทุกอันเหรอไม่มีมันก็เหยียบได้ถ้าเป็นกิเลสอันนี้มาเป็นธรรมแล้วไม่มีในตําราก็เหยียบหัวกิเลสได้เหมือนกันนี่ทําไมจะไม่ได้ เอาอย่างนั้นสิปลาอันนี้มันถึงใจถึงใจนะถึงใจตรงไหนกิเลสมอบนั่นจึงเรียกว่าแปลเพื่อค่ากิเลสทีนี้ก็ปัญญาปริภาวิตังจิตตังส ม, มเทวะอาสเสวีวิมุตติจิตที่ปัญญาชำระแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงนั่นแปลออกให้ตรงกับภาคปฏิบัติเลย แต่ถ้าปลายอย่างทางด้านปริยัติก็ว่าจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบท่านว่างั้นอันนั้นท่านวางเป็นพื้นฐานเอาไว้ใครจะแยกแยะไปยังไงก็ตามไม่ให้หนีจากหลักใหญ่ก็พอคือหลักฆ่ากิเลสนั้นปัญญาเป็นเครื่องฆ่ากิเลสป้านลงไปสิมันจะถึงหัวกิเลสก็เอาลงไปสิ นั่นเอาอย่างนั้นศีลาริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโสนี่ก็เหมือนกันคนมีศีลย่อมมีความอบอุ่นไม่ระแวงแคลงใจเดือดร้อนพอให้เกิดสัญญาอารมณ์แล้วทำสมาธิไม่ลงแปลยอย่างนั้นถ้าแปลาตามปริยัติก็ว่าสมาธิ อันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอ น, นิสงมากอันนี้เราก็ไม่คานเพราะเป็นแบบฉบับอยู่แล้วนี่แต่สิ่งที่จะให้ประจากเจ้าของเป็นสมบัติของเจ้าของบ้างหาให้ได้สิจึงเรียกว่าเป็นผู้สาะสแสวงหาธรรมที่เราแปลนี้กับพ่อแม่ครูอาจารย์แปลไม่ได้ผิดกันนะแต่เราไม่ได้อ่านเอื่มนะว่าไปยกตนเสมอท่าน คือท่านแปลท่านแปลผึ่งเลยไม่ผึงยังไงก็ท่านรู้ทำเห็นทำท่านเคยฆ่ า, ากิเลสมาด้วยอุบายใดก็เอาอุบายนั้นหลักออกออกเวลาท่านแปลนี่ผึงเลยมันยอมรับตรงนั้นแม่ใส่ผึงเลยนะทั้งทั้งที่เราก็เป็นมหาแปลผิดถูกยังไงเราก็รู้อยู่นี่แต่แปลของเราที่ว่าเป็นมหามันได้แต่ความจำไม่ได้ความจริงเหมือนท่าน ท่านแปลยอย่างนั้นท่านได้ความจริงเอาความจริงมามันผิดกันตรงนั้นถึงได้ว่าโอตรงตัวเลยนะมันยอมรับทันทีไม่เคยค้านท่านท่านแปลแบบนี้เข้าถึงตัวกิเลสแล้วงายเลยงายเลยแปลรวดเร็วซสด้วยนะไม่รวดเร็วยังไงสติปัญญาท่านคล่องตัวมาพอแล้วนี่ผึงออกมาเลย อะไรจะมาขัดข้านต้านทานกีดควางสติปัญญาได้เมื่อปัญญาคันนั้นได้ออกตัวนี่ท่านผ่านมาสักเท่าไรแล้วจะไม่ให้ท่านคล่องอยังไงนั่นผู้ปฏิบัติท่านแปลพวกเราพวกนอนแท้กระดาษก็จะไปยกโทษท่านสิยกได้หรือทำไมปลอย่างนี้ท่านแปลไว้อย่างนั้นตามตำรับตำราก็จะว่าอย่างนั้นทำไมแปลอย่างนี้ ทีนี้ไปหาว่าท่านแปลไม่ถูกแปลแบบป่าๆเถื่อนๆไปยังไม่รู้ว่าท่านเอาความจริงออกมาเราไม่เคยปฏิบัติก็ไม่รู้สิว่าความจริงเป็นยังไงความปลอมเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงความจำเป็นยังไงเราไม่รู้ท่านคนพระตายปิดกใช้เล่นเมื่อไรพ่อแม่ครูอาจารย์มันท่านเล่าให้ฟัง คนพระไตยปิฎกมีรู้กี่ครั้งท่านว่าโน่น่ะฟังสิและท่านจะไม่ได้มาอย่างไงท่านอยู่ที่บ้านโป่งก็ค้นเสจจนวันว่างๆท่านว่าพระไตปิฎกมีครบท่านค้นเอาจริงๆเราเนี่ยความรู้สู้ท่านได้เมื่อไรในหลักวิชาที่เรียนมาเป็นชั้นๆจะสู้ผู้ที่ไปนค้นถึงขนาดนั้นได้ยังไง ถ้าพูดถึงเรื่องราวที่นำมาพูดอะไรอะไรแต่เรื่องธาตวิพัตติปัจใจที่จะยกขึ้นมานี้มันก็เป็นอีกอย่างหนึง่งไอ้ที่เราจะมายกธาตวิพัตติปัจใจว่าจะกะกตัดิตะนี้กิเลสมันหัวเราะตลอดจะว่าไงเวลาจะฆ่ากิเลจริงๆอันนี้ไม่มายุ่งเลยนี่ปัดกันเข้าตรงนั้นเลยมันคนละอย่างต่างหากนะ เรายังจะมาเป็นนอนแทกกระดาษอยู่กับธาตุวิพัตติปัใจัยให้กิเลสว่าร่อย่อเอาเปล่าๆหรือเพราะมันอยู่โน่นเรามากาอยู่นี่ส่วนท่านใส่ผึ้งเลยที่กิเลสอยู่นั่นต่างกันอย่างนี้อย่างท่านเล่าเรื่องพระโภธิละให้ฟังโภธิละแปลว่าเบลานเปล่าคือเรียนเฉยๆไม่สนใจจะแก้กิเลส ทั้งๆ ท, ที่มีอุปนิสัยสามารถที่จะเป็นพระอระหันต์พระพุทธเจ้าถึงได้แย่ปัญหาเข้าไปโปถิละโปถิละใบลานเปล่าใบลานเปล่าโปถิละเธอจงนั่งโปทิละเธอจงยืนโปทิละเธอจงไปโปทิละเธอจงมาใบลานเปล่าใบลานเปล่าทีนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านไม่แปลยอย่างนั้น นี่ก็เหมือนกันตีหัวกิเลสตรงๆว่าเบลานเปล่าหัวล้านเปล่าหัวโล้นเปล่าบวชเปล่ากินเปล่านอนเปล่าตายเปล่านั่นท่านแปลเห็นไหมมีแต่ฟาดหัวกิเลสเพราะพวกนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนอนเปล่าหัวล้านเปล่ากินเปล่าตายเปล่าไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเป็นเรื่องของกิเลสครอบหัวเอาครอบหัวเอา ท่นตีเข้าไปตรงนั้นนั่นท่านแปลท่านแปลอย่างนั้นนะหาที่ค้านท่านได้ยังไงผมนี่ค้านไม่ได้จริงๆนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแปลมันเข้าถึงใจเจ้าของเลยท่านเอานิทานโปธิละมาแปลเราก็เรียนโปทิละแปลว่าเบลานเปล่าแต่ท่านไม่แปลอย่างนั้นสิเบลานเปล่าหัวล้นเปล่าหัวล้านเปล่า ท่านแปลย้ำลงจนเป็นลาบอย่างนั้นละ่ะแปลาภาคปฏิบัติมันถึงใจกิเลสพังลงพังลงอย่างนั้นมันถึงถูกถ้าจะฆ่ากิเลสต้องแปลยอย่างนั้นถ้าจะรักษาศัพ์แสงตำรับตำรา ว, ว้ก็แปลาตามแบบนี้เราก็ไม่ค้านแต่เวลาที่จะรบก็ให้เป็นเวลารบสิอย่าให้เป็นนอนแทกกระดาษตลอดเวลาสิ ปัญญาคนจะก้าวได้ยังไงให้ก้าวออกพิจารณาหาอุบายคิดอ่านไตรตรองเรื่องทาทเรื่องขันข้างนอกข้างในเอามาเทียบมาเคียงกันหลายตลบทบทวนไม่ใช่หนหนึ่งหนเดียวนะแยกโนนแยกนี้สอดโนนสอดนี้เรื่องของปัญญาพยายามคิดต่อไปก็จะค่อยแตกกิ่งแตกก้านแตะแนนขึ้นมาทีนี้ก็ค่อยก้าวไปได้ ถ้าปัญญาได้กล้าออกแล้วที่นี่มีหวังมีหวังจากนั้นก็แน่วแน่เข้าไปเลย